<Book> <79 S 3> บ, บุกทูเจ็ดสิบเก้าเดบไบตอ ม, มิดีคำคุณศัพท์สองวิเศชนาลูเรนดูดิฉันสวมชุดสีฟ้าเนี่ยหนุนี้เล่เรื่องอดุสตรู้เบสกุณนาเนอะดิฉันสวมชุดสีแดง เนนิเยรุปุรงกุดุสตุลเวสกุณนานุดิฉันสวมชุดสีเขียวเนนิอ้อกุปเชรังกุดุสตุลเวสกุณนานุดิฉันซึกระเป๋าถือสีดำเนนวลสันชีกุนตุนนานุดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลนนมา rangingala กันสันชกุนุ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวนี่ในวะกะลลิกเตลล่าซันจีคอนตุนานุดิฉันต้องการรถคันใหม่นากูวากาควัตคารุอวะเสระมดิฉันต้องการรถความเร็วสูงนากูเวเกามันตะเมานาวา ก, กาคารุอวะเสรัมดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย น า, า ว, วนนาว ก, การาวสรมผู้หญิงชราอยู่ชั้นบนวกุสลิอาวิดาไปไหนมาวุุดีผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนว่ากันลาว์ทาวิดาไปไหนมาวุผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่างวุฒิสกุตตะกะเลกีนาว่ากั ว, าาวินุน แขกของเราเป็นกันเองมาติดุลุมันชิมันชลุแขกของเราเป็นคนสุภาพมาติดุลุมาริอาดัสตูเลนาแมนชลุแขกของเราเป็นคนน่าสนใจมาติดุลุออเซติกาเรเม น, น, นาแมนชลูดิฉันมีลูกที่น่ารัก น่ากลมมโนหรม่ได้ปิลลลุนนารู้แต่เพื่อนบ้านมีลูกโซนมาปักกินที่วาเลกี้คนที่ปิลลลุนนารู้ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะมีปิลลลุมันเชืประวัติในกาลิกีอุล น, นาระ